Thank <laughs> you. ว่าพวกนี้ผมพาพ่อไปโรงพยาบาลดีกว่านะครับเอ็งจะพาข้าไปโรงพยาบาลทําไมฮะก็ไปให้หมอตรวจดูตาของพ่อหน่ะไงพ่อมองไม่เห็นไม่ใช่เหรอฮะเอ้ยจะไปให้เสียเวลาทําไมตรวจไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกนามันต้องดีขึ้นสิพ่อหมอตรวจดูอาการแล้วจะได้ทการรักษาตาได้ถูกต้องแล้วพ่อก็จะกลับมามองเห็นได้อีกครั้งไงฮะเอ็งไปฟังใครเขาพูดมา ว่าตาของข้าจะสามารถกลับมามองเห็นได้ชัดแจ๋วเหมือนแต่ก่อนได้ใครๆก็พูดทางนั้นละพ่อจริงเขาให้เย็นไป น, นะพ่อนะผมว่าพ่อไปให้หมอตรวจดูหน่อยก็ดีเหมือนกันเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีเกิดหมอ บ, บอกว่าจะต้องผ่าตัดเราจะต้องใช้เงินเท่านั้นเท่านี้นนแล้วขาาจะมีปัญญาไปเอาเงินจากไหนกันฮะเงินที่มีอยู่ก็พอที่จะใช้ทาไร้ไถนาเท่านั้นเองเกิดหมดไปแล้วก็ ไปกูนนห้ยืมสินเข้ามาแล้วจะมีปัญญาไปใช้คืนเข้ามาไหล <c oughs> ไม่มีทางหรอกระยะสองสามปีมาเนี่อากาศมันเปลี่ยนแปลงเอาแน่นอนอะไรไม่ค่อยจะได้ปีที่คิดว่าจะได้ข้าวไปขายได้กำไรที่ไหนได้น้ำท่วมจนเสียหายหมดมาอีกปีหนึ่งกลับฝนแรงซะอย่างนั้นแหละคิดดูสิชาวไร่ชาวนายอย่างเราเราจะทำยังไงพวกเรายังมีแรงอยู่นะพ่อ ยังไงก็ไม่ปล่อยให้พ่อต้องอดตายหรอกนะขอบใจหาเงินมาได้ก็เก็บเก็บเอาไว้ใช้ยามขัดสนจะดีกว่านะไม่ต้องมาห่วงเรื่องสายตาของข่าหรอกขายังพอมองเห็นอยู่ก็เห็นชัดแค่ไหนล่ะพ่อก็เห็นว่าเองคือไอ้ยงเห็นไอ้เยี่ยมก็แล้วกันนะเห็นลางๆใช่ไหมพ่อเออก็เห็นอยู่หรอกนะเตือร่นนอก็ข่ามาอย่าให้เสียงเงินนี่ว่ะเงินทองมันขอนอกกาย ไม่ตายก็หาใหม่ได้นะพ่อนะอยู่บ้านนอกหอกดะอย่างเงี้ยเอ็งคิดว่าหากันได้ง่ายหรืองางเงินเนี่ยถึงหายากก็ยังพอหาได้ไม่ใช่หรอพ่อคนนานแล้วถึงต้องใช้อย่างประหยัดประหยัดมีสติอยู่ตลอดเวลาพวกเอ็งโตโตกันแล้วนะไม่ใช่วัยรุ่นอย่างแต่ก่อนทําอะไรหัดรู้จักคิดกันซะบ้างไม่ใช่เพราะว่าตอนวัยรุ่นพวกเอ็งสร้างวิรกรรมเอาไว้เยอะแล้วดูสิฮะ จนป่านนี้แล้วพวกเองยังไม่มีใครได้เมียเป็นตัวเป็นตนกันสักคนเลยสาวๆในหมู่บ้านเนี่ยมันคงเอือมละอาพวกเองกันทั้งนั้นแหละออไปแกล้งพวกเขาไว้มากทีนี่แหละเองเอ้ยจะมีเมียทั้งทีก็ต้องทอสังขารไปขอลูกสาวต่างหมู่บ้านมาทําพันุ์แล้วละ่ะก็พ่อพูดซะหนา้าเกลียดเลยหนา่าเกลียดยังไงกันวะก็พ่อพูดทําพันุ์ไงพวกอย่างพวกผมเป็นหมูหมากาไก่ไมีไว้เพื่อทําพันธุ์อย่างนั้นละ่ะอย่าพูดดีกว่าไอายาย้ใหญ่ วัวควายของข่ายังดีกว่าเองเลยอ้าวพ่อไยพูดอย่างนี้ก็รึไม่จริงล่ะวัวควายของข่ายยังมีราคาขางหดสูง<อ>แต่เองเองเนี่ ย, ยแล้วก็เองเนี่ยไอ้ <laughs> อ<ะ>แล้วก็ยังไอ ย, ยมไอยศอีกฮะหาค่าไม่ได้เลยเดินไปทางไหนอ่ะลองแขวนป้ายสิแขวนป้ายอะไรพ่อก็แขวนป้ายจิตราคาขายทำพันยางไงล่ะไม่มีสาวคนไหนมองเด็ดขาดโธ่พ่อ พ่อปวดเสียหายหมดเลยเนี่ยข้าพูดเรื่องจริงเออไอ้เย็นเลยครับพ่อเองล่ะผมทำไมครับเมื่อไหร่จะถึงแต่งงานมีเมียกับเขาสัทีเองน่ะมีสาวๆในหมู่บ้านชอบหลายคน<อ>ไม่ใช่เหรอก็ใช่ครับเองชอบสาวคนไหนบ้างล่ะข้าจะเป็นผู้ใหญ่ไปขอให้เองอย่างครับพ่อทําไมอ่ะข้าอยากอุ้มหลานแล้วนะโว้ยผมรอใครบางคนแต่งงานก่อนครับใครวะ รือว่าเอ็งจะรอให้อาใหญ่มันแต่งซะก่อนรอให้อายเย็นมันแต่งก่อนหรือรอให้อายยงมันแต่งหรือจะเป็นไอายยมหรือว่าไอายศกันล่ะฮะไม่ใช่พี่พี่หรอกครับพ่ออ้าวนั้นเอ็งรอกใครกันล่ะผมรอพี่ยิงแต่งงานก่อนครับพ่อฮะ อ, อาเยน็นอาเย็นอ <c oughs> นี่เองยังนึกว่าพี่ยิ่งอ่ะยังไม่ตายหรือไงใช่ผมมั่นใจว่าพี่ยิ่งยังไม่ตายอ่ะข้าก็มั่นใจเหมือนไอาเย็นละวะก็ดีนี่าคิดอย่างไแล้ว ทำให้รู้สึกสบายใจมันก็ดีอ่ะเองลายใหญ่ทำไมพ่อเองไม่คิดแล้วว่าน้องของเองยังไม่ตายไม่รู้สินะผมมีความเห็นเรื่องไอ้ยิ่งครับพ่อคอยดูนาะยใหญ่นะข้าจะรอวันที่ไอ้ยิ่งมันกลับมาหาข้ามันคงมาหรอต้องมาสิเพราะมันยังไม่ตายโอ้พ่อก็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 หนึ ววนในโลกที่ทุกคนต้องเดินรอนที่ทับงลงจนใจนันแสนเนยในโลกที่ความทุกข์ท้อใจได้เดินผ่านเข้ามาเรื่อยจนบางครั้งไม่รู้จะข้ามไปเช่นไรแต่ชีวิตยงผ่านยิ่งได้พบ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 ฉันดีใจที่มีเธอฉันดีใจที่เจอเธอจ mm ะ -hmm. คือกลังใจเดียวที่มีไม่วอนาที่ไหนไหนฉันดีใจที่มีเธอแม้จะไม่ลือใครใฉันก็รู้และฉันอุ่นใจว่าฉั น, นั้นจะมีเธออยู่ตรงนี้ ฉันอุ่นใจเพรฉะนั้นจะมีเธออยู่กับฉัน ม่ใครสนฉันบ้างหรือเปล่าอยู่ลำพังต่อแค่ความเศร้ากอดตัวเองเมือทุกใจกอดตัวเองเพราะฉันไม่มีใครกับวันเวลาลือตัวที่พ้นผ่านคุ้มว้าวเวค่อยคอยคืบคลานอ๋อละแล้วเกินจะมีใครรู้บ้างหรือเปล่าฉันเอาซะจน ฉัรากอตัวเองมือนวใจกอตัวเองพรามมีใครใครปลอบตัวเองอยู่ทุกวัน มาฟังเพลงรักด้วยกันของพี่ปอยก็สียดุงกอดตัวเองอเง่หงาใจก็ตัวเองเพราะฉันไหมมีใครหนังวั น, นดะกูรัก็เริ่มจะอับเฉาความคิดนี่เน่าว่าจะอยู่คนเดียวเหมือนกับดูหนังคนเดียวอีกแล้วหรือเราจะมีใครไหมช่วไปยุ่งตอนที่ฉันเมากอดตัวเองเมื่เศร้าใจกอตัวเองเพราะฉันไหม่ Me cry. c t a x i n g myself every day. เมื่อไรเขาคนนั้นจะเข้ามาแต่งแต่งชีวิตให้ดีกว่านี้ขอแคเพียงเขาเป็นคนดีกอนมลปอยาให้ใครมอฉันเสียทีอยาก เพียงเขาเป็นคนดีก่อนตัวเองมาหลายปี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 มันตายไปแล้วข่ะรู้ข้าได้ยินเหมือนที่เอ็งได้ยินนั่นแหละนาแล้วจะเอายังไงล่ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่ว่าเราควรจะสารภาพความจริงกับพ่อมเออเออเอเอ็งว่าไงเฮ้ยยอมว่าไงนะตะกี้เอ็งพูดว่าไงนะข้าบอกว่าสารภาพความจริงกับพ่อซะเลยไงเฮ้ยไม่ได้อะทําไมล่ะพี่ใหญ่อยศเอ็งเคยยมเห็นดีเห็นงามด้วยหรอวันนี้ฮะก็ก็ข้ารู้สึกสงสารพ่อเหลือเกิน แม่อ้ยิ่งมันก็ต้องตรอมใจตายแล้วพ่อก็ไม่สบายสายตาก็ไม่ดีซะด้วยอเอาไงดีพี่ให อ, อ่ข้าเองก็เห็นใจพ่อเอาว้แล้วข้ารู้สึกผิดด้วยตอนที่เห็นแม่อ้ยิ่งมันตรอมใจต า, ตายต่อหน้าต่อตายกันตอนอยู่วัดข้าก็ได้จุดธูปขอโหสิกรรมแล้วด้วยพวกเองก็คงจะทําอย่างข้าใช่หรือเปล่าใช่ใชแต่ถ้าสาภาพกับพ่อแล้วก็เอเอย เรื่องใหญ่เรื่องโตนะล่ะมันต้องเกิดขึ้นน่าเออทั้งนั้นไม่ต้องพูดอ่ะให้ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ถ้าวันนึงไอ้ยิงมันโผล่มาละเพียงยิ่งกลัวมันเหรออ้าวไม่ได้กลัวอ้าไม่ต้องไปกลัวแล้วยังไงมันก็เป็นน้องนะเว้ยมันตัางหากที่ต้องกลัวเราอือพี่ยัยวะไอ้ยิ่งมันจะกลับมาไหมอ่ะอือพวกร้าขู่มันเอาไว้มันคงกลัวคำขู่ของพวกร้าไม่อย่างนั้นมันคงกลับมานานแล้วอ่ะเออเดี๋ยวพูดถอ้ยิงก็ดีแล้ว ทำไมล่พี่ให่พี่สันน่ะพวกเองยังจำพี่สันได้หรือเปล่าจำได้จำได้ทำไมพี่ใหญ่พี่สันโดนตำรวจจับข้อหาข้าวผสงครามติดคุกัวดโตไปแล้วอะไรนะอะไรใหญ่พี่ใหญ่พูดจริงเหรอก็เรื่องจริงนสซีเองไม่ใช่ได้ข่าพูดหรือไงวะเชื่อและยิ่งนะ่ะไปอยู่กับใครที่ไหนเองเป็นห่วงไอ้ยิ่งหรือไงอือก็แค่ถามอ่ะรู้ว่ามาดโดนตำรวจจับเข้าสังเตไปแล้วไม่รู้ ไม่มีใครรู้แล้วพี่ใหญ่ไปได้ข่าวนี้มาจากไหนอ่ะเออไนดะ้ข้ารู้กันแล้วกันแบบนี้ไอ้ยิงมันก็สวยนะสิพี่ใหญ่ใช่มันเป็นความสวยขอยิ่งมันจริงๆด้วยอือข้า อ, อสงสารไอ้ยิงมันเหมือนกันนะพี่ใหญ่น ะ, อะพอพอพอเลิกเราพูดถึงละอือได้ไม่พูดก็ได้นอนเถอะพรุ่งนี้มีงานหนักรออยู่อ่มได้เลยพี่ใหญ่นอนไว้พวกเรานอนนอนนอนนอน ใช่เองจ้าคุณมีอะไรหรือเปล่าครับแม่ครวนอนอยู่หลังครัวส่วนแจ้วนอนอยู่ข้างๆห้องครัวฮะฉันไม่ได้ตามหาเด็กรับใช้หรอกนะแต่ฉันต้องการจะคุยกับเธอตั้งหากล่ะคุยกับผมเหรอใช่แล้วผลักประตูเข้าไปได้เลยใช่ไหมจ๊ะห้องล็อกประตูแล้วคุณผลักยังไงก็ไม่เปิดหรอกฮะถ้างาั้นเธอเปิดประตูให้ฉันหน่อยสิจ๊ะอ๋อที่มันก็ดึกแล้วนะครับ มีอะไรว่าคุยกันปุณนี้ไม่ดีกว่าเหรอฮะไม่ได้ฉันจะคุยคืนนี้พรุ่งนี้ยฉันจะต้องออกไปกับท่านแต่เช้าไม่มีเวลารอเธอเตื่นรอกในะจ้าเปิดประตูหน่อยนะมัเรื่องแล้วกันแน่ฮะอยากรู้ก็รีบเปิดประตูสิจ้ารับรองว่าฉันไม่ทําอะไรเธอหรอกนะ้าผมไม่ได้กลัวคุณทําร้ายผมสัหน่อยดีแล้วละที่ไมิกลัวฉันงั้นก็เดินมาเปิดประตูสัทีสิจ้าแต่ว่าไม่มีแต่จะได้ไหมฮะแล้วท่านล่ะ ถ้าคุณออมาเคาะประตูเรียกผมหรืไงอ่ะเปลาอ้าวหมายความว่าคุณหนีท่านออกมาจากห้องเหรอเนี่ยหนีอะไรกันเล่าฉัไม่ใช่ชนักโทษของท่านสักหน่อยนึงฉันเป็นพัญญาของท่า น, น, น, น, นาทีน่จะเดินไปซอกไหนของบ้านหลังนี้มันก็เป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของฉันอยู่แล้วหรือเธอว่ายัางไงฮะปต่ก็ริงของคุณนะแต่ว่านี่เธอจะเปิดไหมคุณขูผมเหรอไม่ไดครูก็แค่อยากจะคุยด้วย มีเรื่องสงสัยมีรู้จัหันไปถามใครก็สามีหญิงคุณไงฮะท่านนะเหรอฮึแหมก็อย่าจะทําอย่างนันเหมือนกันนะแต่ว่าเรื่องบางเรื่องอ่ะก็ไม่สมควรจะพูดให้รบสมองท่านท่านคงเข้าใจดีนะท่านเองงานก็ยุ่งยุ่งอยู่แล้วฉันไม่อยากเอาเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไปพูดและทําให้ท่านเป็นกังวลอ่ะแต่ว่านะเธอเปิดหน่อยนะก็ได้แตวรับปากผมก่อนนะรับปากอะไรจ๊ะรับปากจะไม่เข้าไปในห้องนอนผมอ่ะอ้า เราจะยืนคุยกันตรงหน้าห้องนอนของเธอเนี่ยเหรอแม้เวอร์เกินไปหรือเปล่าจ๊ะไม่รู้ละเพื่อความปลอดภัยปลอดภัยอะไรที่เธอคิดว่าฉันจะวางแผน ข, ข่มขืนเธอหรือไงผมก็มีสิทธิ์คิดไม่ใช่เหรอนี่เธอว่าไงอ่ะทำไมรับปากกันก็จะนอนแล้วนะก็ได้ก็ได้จะรับปากเธอก็ได้ เปิดประตูสถทีสิจ๊าคุณมีอะไรจะคุยกับผมเหรอขอเข้าไปคุยในห้องงานของเธอเนี่ น, ะ น, นีปลักผมมาในห้องได้ยังไงเนี่ยอย่าล็อกประตูสิอย่าล็อกมออกอิท่านตื่นก็นมาเห็นเขาจะ <c oughs> เขาจ ะ, จะรอนคนผิดผิดนะไม่ล็อกท่านหมดแรงแล้วก็หลับเป็นตายแล้วล่ะรู้ไหม <c oughs> เธอนี่หล่อหรอหล่อจนท่านอดใจไม่ไหว ขอหอมแก้หน่อยนะจ๊ะนี่นี่ อ, อย่านะคุณเยอย่าอย่าทำอย่างนี้ไม่เอาคุณได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากละครที่จบไปนี้โปรดเขียนข้อคิดของท่านโดยทางไปสัญยาบัตรดยจดหมายมาหาเราได้ที่